ธานิยะปูชา2551รวมเรื่องและคำเทศคำสอนของลุงพ่อพุทธฐานิโยรวบรวมและเรียบเรียงโดยดรดาราวันเด่นอุดมเสียงอ่านโดยโจโฉ ท่านที่ต้องการหนังสือฐานิยะปูชากรุณาเตรียมซองขนาด6คูณ9นิ้วพร้อมติดสแตมป์6บาทจาน้าซองถึงตัวท่านเองส่งมาที่ดรดาราวันเด่นอุดม256มิตรภาพซอย15ถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์30000 ดูประวัติและธรรมบัญญายหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยที่ w w w tha nyo i dot com t h a n i y o com ตอน วาจาสิหลวงปู่สิงห์ความหาสัจจันท์ของหลวงปู่สิงห์ตอนที่ท่านหล่อพระพุทธรูปสององค์ชาวบ้านก็เอาสตังแดงมาถวายท่านทำหีบไม้โตขนาดนี้เดี๋ยวนี้ยังมีเหลืออยู่เอาสตังแดงใส่ไว้เต็มเอาเทินกันไว้ทีเนี้ยพวกผู้ร้ายมันก็มามาก็บอกว่าหลวงปู่ ขอเงินไปใช้หน่อยท่านก็บอกว่าเงินไม่มีมีแต่สตางแดงสตางแดงตอนนั้นมันใช้ได้อยู่นี่สตางแดงก็เอาพวกผู้ร้ายพูดท่านก็บอกว่านั่นหีบวางอยู่นั่นอยากได้ก็เอาไปแต่ว่าเอามากไม่ได้นะเอามากบาปเมื่อก่อนเนี่ยประตูวัดมันออกทางนี้มันก็แบกออกไปเนี่ย พอดีทหารอากาศมาเจอเข้าเอา้าพวกเนี้ยสงสัยมันจะไปขู่เอาเงินหลวงปู่มาละสิพอเขาสังเกตเห็นมันหลบหลบซ่อนๆเขาก็มาล้อมทหารอากาศเข้ามาหลายคนเสร็จแล้วเขาก็รุมซ้อมเอาและบังคับให้มันแบกหีบเงินไปคืนพอถึงทางลงมันก็บอกว่าโอ๊ยหลวงปู่บอกว่าเอาไปมากมันบาปมันบาปจริงๆ